Thank mm -hmm. you. คนเราจะมีความสุขความเจริญได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการมีสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิ ค, คือความเห็นชอบมีความรู้นะมีปริญญามากแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีความเห็นชอบไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ยากที่จะประสบความสุขความเจริญได้เพราะว่าพอไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วโอกาสที่จะทำความชั่ว หรือว่าการสร้างปัญหาเบียดเบียนผู้อื่นรวมทั้งเบียดเบียนตนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากอันนี้สมาทิติเนี่ยจะมีได้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยปัจจัยสองอย่างอันนี้ผู้เจ้าได้ตรัสไว้ปัจจัยสองอย่างคือปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกคือกิริยนามิตร มิธีดีหรือว่าบางทีท่านก็ใช่คว่าปรตโตโคสะหมายถึงเสียงอื่นเสียงจากภายนอกก็คือเสียงที่ชี้แนะนำทางให้เรารู้จับผิดชอบชั่วดีแล้วก็รู้หนทางในการนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญ ง, งอกงามนะปรตโตโคสะนี่ เราก็เรียง่ายๆว่ากัลยาณมิตรหรือมิตรที่ดีก็ได้นะปัจจัยภายในก็คือโยนิโสมนสิการอาจจะจํายากนะมันก็แปล ง, ง่ายๆว่ารู้จักคิดนั่นเองคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีสติปัญญาในทางธรรมะมีสัมมาทิฐิได้ก็เพราะต้องอาศัยสองอย่างนี้แหละกัลยาณมิตรความสาคัญของกัลยาณมิตร เป็นอย่างไรนี่ก็ได้พูดไปแล้วเราได้สาธยายไปแล้วอีกอันนึงคือโยนิโสมนสิการความรู้จักคิดคนเราเนี่ยนะถ้าหากว่ารู้จักคิดเนี่ยมันก็ยิ่งเห็นความจำเป็นของการที่จะมีกาลยาณมิตรหรือว่ามิตรที่ดีนะแวดล้อมหรือบางทีก็ไปหาเลยนะขวนขวายไปหาเลย รู้ว่ามีครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ดันต้นไปหาท่านครูบาอาจารย์นี้ก็ถือเป็นกเรียนนมิตรนะ <c oughs> พ่อแม่ก็เช่นเดียวกันแม้แต่พระพุทธองค์เนี่ยพระองค์ก็ทรงเป็นกรียนนมิตรนะหรือว่าเป็นปรมกกเระยนนมิตรเลยก็คือว่าเป็นกเรียนนมิตรที่ประเสริฐมาก เวลาเรานับถือพระเจ้าเนี่ยก็อย่านับถือเพียงพระองค์เป็นศาสดาหรือเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่ให้มองว่าเออพระองค์ก็เป็นกัลยาณมิตรของเราเวลามีปัญหาในชีวิตเนี่ยหาทางออกไม่เจอก็ลองปรึกษาพระองค์เนเสมอว่าเป็นกัลยาณมิตรที่จะชี้ทางแม้พระองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วนะแต่ว่า คำสอนของพระองค์ก็เป็นเหมือนกับเสียงของมิตรนะที่สามารถจะช่วยบอกทางหรือช่วยทำให้เราเห็นทางออกได้คนที่เขารู้จักคิดเนี่ยเขาก็จะพยายามหากรีนามิตรแล้วก็พยายามสนทนาวิสาสะหรือว่าปรึกษาหารือ ส่วนใครที่ไม่ใช่กิริยณมิตรนะเรียเป็นปาปะมิตรนะปาปะมิตรคือปาปะคือบาสนั่นเองนะคือมิตรที่นําไปสู่ทางที่ชั่วร้ายเนี่ยก็พยายามห่างซะแล้วถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะหากิริยณมิตรได้ผู้เจ้าก็แนะนําว่าอยู่คนเดียวก็ยังดีกว่านะดีกว่าไปคบเพื่อนชั่วนะ เพื่อนช่วแล้วเนี่ยมันมีแต่ความเสื่อมนะความวิบัติแต่ที่จริงแล้วคนเราถ้ารู้จักคิดนะมันก็ไม่ขาดนะไกลณมิตรนะอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่าไกลยณมิตรบางทีก็ไม่ใช่คนนะอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้คนที่เขารู้จักคิดเนี่ยเขาก็จะได้ อาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องเตือนใจแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะธรรมชาติเขาก็เตือนเรานะให้ไม่ประมาท ก, กับชีวิตเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วขึ้นสูงสุดก็ค่อยๆตกลงกค่อยๆตกลงคล้อยลงคล้อยล ง, ยลงจนลัอขอบฟ้าไปต้นไม้ในะที่ออกดอกสวยงามเสร็จแล้วผ่านไปไม่นาน ต้นไม้ดอกไม้ก็ค่อยร่วงลวงบางทีต้นไม้ก็ดอกไม้ก็ยังงามอยู่เลยก็ล่วงแล้วอย่างช่วงนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะซากุระก็กำลังจะบานคนไทยหลายคนก็ไปญี่ปุ่นกันช่วงนี้แหละไปดูซากุระบานที่โตเกียวหรือเกียวโตซากุระนี่ก็เป็นต้นไม้ที่แปลกนะเพราะว่าปีหนึ่งก็บานได้แค่ ครั้งเดียวแล้วก็ดอกไม้ที่บานนี่สวยงามแค่ไหนก็อยู่ได้ไม่เกินสีห้าวันแล้วก็ร่วงพื้นนี่เกลื่อนไปด้วยดอกซากุระนะทั้งขาวทั้งชมพูคนญี่ปุ่นเขาก็อาศัยซากุระเป็นเครื่องเตือนใจนะถึงความไม่เที่ยงของชีวิตโดยเพราะความตายในขณะที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวพอซ า, ากุระนี่ เขาบานได้ไม่กี่วันเขาก็ล่วงเป็นเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวที่อยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานก็เป็นการเตือนใจไม่ให้ประมาท ก, กับชีวิตนะอย่างนี้ก็เรียกว่าตรัยยนนมิตรได้เหมือนกันนะเวลาท้อถอยเห็นพึ่งก็ดีเห็นมดก็ดีมันพยายามภาคเพียร ทำงานไม่หยุดหย่อนก็ทำให้เกิดกำลังใจนะเหมือนกับเข้ากำลังจะบอกว่าอย่าท้อถอยในสาวุตกาเนี่มีพระบางรูปท่านท้อแท้ในการปฏิบัติเรียกว่าคลายความเพียรแต่พอเห็นช้างเนี่ยมันตกลมแล้วมันก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายตะกุยขึ้นมาแม้จะไม่สำเร็จมันก็ยังไม่ยอมท้อถอย ก็ทำอย่างนั้นนะเป็นชั่วโมงเป็นวันท่านก็เกิดนะได้คิดขึ้นมาว่าโอ้แม้แต่สัตว์นี่มันยังไม่ท้อถอยเลยมันยังไม่ทิ้งความเพียรเลยและเราจะทิ้งความเพียรได้อย่างไรอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักหาการะยะนตมิตรนะแม้ว่าจะอยู่คนเดียวนะเราก็มีการะยะนตมิตรเนี่ยห้อมร้อมเราอยู่มากมายทั้งบนฟ้า รอบตัวแล้วก็ใต้ดินมันอยู่ที่ว่าเรารู้จักมองหรือเปล่านก็คือมีอยู่นิสสมนสิกการไหมที่จริงถ้าเร า, เามีความรู้จักคิดเนี่ยแม้คำพูดที่ไม่ไพเราะแม้คำต่อว่ามันก็กลายเป็นคำเตือนเป็นคำสอนได้ล้วคนฉลาดเขาก็อาศัยนะคำตักเตือนอาศัยคำต่อว่า คำตำหนินี่แหล ะ, ะเป็นเครื่องเตือนใจอย่างเจ้าของเมืองโบราณเนี่ยซึ่งเียชื่อไปแล้ว น, นะคุณเล็กวิริยพั น, เ, นเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลนนไอ้คนที่ตำหนิก็อาจจะมุ่งร้ายนะแต่ว่าคนฟังยอย่างคุณเล็กเนี่ยพอฟังเป็นเนี่ยคิดเป็นเนี่ยก็คำตำหนิก็หรือคำต่อว่าก็กลายเป็นคำเตือนหรือคำชี้แนะได้ ชี้ช่องว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขตัวอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของไตรยนมิตรนะหน้าที่ไกรยนมิตรนอกจากการชี้ทางออกแล้วก็ยังตักเตือนนะเพื่อนำไปสู่ความถูกต้องเะฉะนั้นถ้าเราคิดเป็นเนี่ยมีโยมนิสสนปสิการเนี่ยแม้เจอเหตุร้ายนะเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ย มันก็เปนเปนก็เปเหมือ น, เ ป, นเป็นเครื่องเตือนใจได้นะเป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นเครื่องสอนใจนะเวลาเจ็บป่วยเออเขา ก, ก็กลังสอนนะว่าอย่าประมาทนะสังขารร่างกายเขากำลังสอนเราว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงวันนี้ป่วยวันหน้าก็อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยโดยปล่าประโยชน์ เงินหายของหายก็เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าต้องรู้จักระมัดระวังนะเวลาจะวางของวางกระเป๋านี่ก็ให้มีสติหน่อยคนฉลาดเนี่ยคนที่รู้จักคิดเนี่ยเขาก็สามารถจะเรียนรู้จากเหตุการณ์ต่างๆแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเป็นความสูญเสียก็ตาม และพระรู้จักคิดอย่างนี้แล้วนะมันจะไม่มีความรู้สึกว่าเราโชคร้ายจะรู้สึกว่าเราโชคดีเสมอเพราะว่ามีสิ่งคอยตักเตือนมีเหตุการณ์ต่างๆคอยชี้แนะนะไม่ให้เราพลั้งพลาดเตือนให้เราไปในทางที่ถูกนะเตือนให้เราไม่ประมาท ร, รู้จักนะใช้ชีวิตให้มีคุณค่า หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายนะพวกเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะที่รู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายมีคนจนวนมากนี่ที่รู้สึกว่าชีวิตเราลำบากมากเหลือเกินนะลำบากมาตั้งแต่เล็กจนโตนะโตแล้วก็ยังนะต้องเกระเกษสนิ่นรถ <c oughs> ชีวิตเรามีแต่เรื่องไร้ายนคนโชคร้ายนี่เขาจะรู้สึกว่า ชีวิตตัวเองเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนโชคร้า ย, ยหรือโชคดีเนี่ยนะเอาเข้าจริงชีวิตข้อจะไม่ไ้แตกต่างกันเท่าไหร่คนโชคดีเนี่ยคนที่คิดว่าตัวเองโชคดีก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตของตัวเองราบรื่นนะอาจจะมีความขลุกคลักมีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆไม่น้อยไปกว่าคนที่เขาคิดว่าตัวเองโชคร้าย แล้วทำไมบางคนถึงบอกว่าตัวเองโชคร้ายทำไมบางคนหนึ่งคิดว่าตัวเองโชคดีอันนี้เพราะบางคนเขารู้จักคิดแต่บางคนไม่รู้จักคิดคนที่รู้จักคิดเนี่ยนะเวลาเกิดเรื่องร้ายๆกับชีวิตของเขาเขากลับมองว่าดีแต่เหตุการณ์เดียวกันพอเกิดขึ้นกับคนบางคนเนี่ยเขาจะเห็นแต่ด้านโรคของมัน แล้วเขาก็เลืสัวตัวเองโชคร้ายเพราะเจอมันอยู่เรื่อยคนเราจะชีวิตคนเราเนี่ยนะจะโชคดีหรือโชคร้ายหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะแต่มันอยู่ที่ว่าเรามองมันอย่างไรนะคนที่เจอแต่คนที่ชีวิตมีเรื่องร้ายๆอยู่มากมายแต่เขามองเป็นนะ เข ก, ก็สึว่ตัวเองโชคดีได้แต่คนที่มองไม่เป็นก็จะยิ่งซ้ําเติมความรู้สึกว่าฉันโชคร้ายเขาเคยมีการทดลองนะเอาคนมากลุ่มหนึ่งนะแล้วก็แยกๆก็กกเป็นสองสองสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนโชคดี อีกกลุ่มนึงเนี่ยคือคนที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายแล้วก็ให้คนสองกลุ่มนีมาทำกิจกรรมบางอย่างแต่ไม่ใช่ทำพร้อมกันนะต่างคนต่างทำกิจกรรมบางอย่างก็เช่นว่าให้ลองสมบทบาทหรือว่าอยู่ในสถานการณ์จำลองเช่นว่าไปธนาคารเพื่อที่จะฝากเงินขณะที่ อยู่ในธนาคารยังทำธุรกรมไม่เสร็จก็ปรกว่ามีโจรเนี่ยมาปล้นธนาคารแล้วก็ตำรวจเนี่ยหรือว่ายามเฝ้าธนาคารก็ยิงต่อสู้กันปรกว่าผู้ที่โสมุดบาดนะไปไปฝากเงินเนี่ยโดนลูกหลงถูกลูกปืนเข้าที่แขนทีนี้ผู้ทดลองเขาจะถาม จะถามว่าเนี่ยคุรุศียังไงนะเมื่อถูกยิงที่แขนคนที่คิดว่าตัวเองโชคดีก็จะตอบว่าแหมโชคดีจังเลยนะที่โดนแค่แขนไม่โดนอวัยวะที่สำคัญส่วนคนที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายเนี่ยาจะรู้สึกว่าโหยฉันซวยเหลือเกินนะขนาดมาฝากเงินที่ธ น, นาคารยังเจอลูกหลง ผลมันอ อ, ออกมาเป็นอย่างนั้นนะก็คือคนที่คิดว่าตัวเองโชคดีเนี่ยถ้าสมมุติเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาจะคิดว่าเออโชคดีเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยถ้าเกิดขึ้ น, นคนที่คิดว่าตัวเ อ, อ, องโชคร้ายเนี่ยเขาจะมองว่าเนี่ยโอ้ฉันโชคร้ายจังเลยอันนี้เขาต้องการบอกว่าคนที่คิดว่าตัวเองโชคดีหรือคนที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่า คนหนึ่งเจอแต่เรื่องดีๆอีกคนหนึ่งเจอแต่เรื่องร้ายๆแต่มันเป็นเพราะว่าเ้ามีมุมมองต่างกันเจอเรื่องเดียวกันคนโชคดีบอกว่าเออฉันโชคดีเห็นข้อดีของมันส่วนคนที่โชคลายเนี่ยก็เห็นแต่ข้อเสียของมันอันนี้เขาต้องการบอกว่าคนเราเนี่ยจะโชคดีหรือไม่มันอยู่ที่ว่าเรามองอย่างไรถ้าเรามองบวกนะเราก็จะพบเห็นแต่ อ่ะสิ่งที่ดีๆถ้าเรามองลบนะเราคิดไม่เป็นมองไม่เป็นเราก็จะเห็นแต่สิ่งหลายๆบางคานบางคนเนี่ยแม้จะยากจนนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะก็เจ้าเสือเขาโชคดีก็ได้ว่าโอ้เขามีแม่เขามีพ่อทีอ่น่ารักอบอุ่นนะดูแลเขาเนะ่าที่คนที่ เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยกับลูกสาวตัวเองเนี่ยเป็นคนอาภัพนะเพราะว่าแม่ก็ไม่รักพ่อก็ไม่สนใจนะคนที่ยากจนหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกน้อยเนือต่ำใจเขาก็ต่อสู้ดินน้นระนจนกระทั่งสามารถจะลืมตาอาปากได้แล้วนเะมื่อเขามองชีวิตที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าเขาโชคดีนะความยากจน ม, มันสอนให้เขาเนี่ยเข้มแข็งรู้จักพึ่งตัวเองได้ แต่คนที่เขามองไม่เป็นเนี่ยเมื่อมองชีวิตที่ผ่านมาก็จะโอ้ชันนี่ก็ซ้ากรรสั้นเหลือเกิ น, นมันมีแต่ความลำบากมีแต่อุปสรรคตลอดเวลา <c oughs> คนที่เขาสูส้ว่าโชคดีหรือว่ารู้จักคิดเนี่ยเมื่อเจอความยากลา บ, บากเนี่ยกขาจะแกร่งขึ้ น, นแล้วเขาจะอยากจะทําความดีมีความเพียรพยายามมากขึ้น แต่คนที่เขามองไม่เป็นเนี่ยชีวิตที่ลำบากเนี่ยมันกลับทาให้เขาสึกย่ำแย่รู้สึกอ่อนแอรู้สึกกลายเกลี้ยกับชีวิตที่ประเทศไต้หวันนี่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นแม่ค้าขายผักแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อมากก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะแต่ว่าสามารถที่จะเก็บพร้อมรอมลิบ จนสามารถจะบริจาคเงินให้กับสถานาสงเคราะห์หรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยถึง10ล้านดอลลาร์นะล้านดอลลาร์นี่ก็ประมาณ350ล้านบาททั้งที่ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ร่หรวยอะไรเลยเป็นแม่ค้าขายผักทำงานหนักด้วยนะตื่นตีสองทำงานจนถึง6โมงเย็นนะวันละ6 6 6 7ชั่วโมง นอนกับพื้นนะบ้านก็ง่ายๆใช้จ่ายเวลาร้อยบาทเท่านั้นเองกินผักไม่กินเนื้อเสื้อผ้าก็ไม่แต่งตัวแต่ว่ามีเงินเก็บเนี่ยถึงส0มร้อยกว่าล้านบาทแล้วก็บริจาคให้โรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่จริงๆช่วยเขาลำบากนะเขาลำบากมากเพราะว่ายากจนตั้งแต่เล็กแล้วก็ เสียแม่ตั้งแต่ยังอายุไม่มากแม่ป่วยแม่ป่วยพาเข้าโรงพยาบาลแต่เนื่องจากไม่มีเงินค่ารักษาก็เลยตายโอเจ็บปวดมากนะตายเพราะว่าไม่มีเงินค่ารักษาหลายคนถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะเกียดโรงพยาบาลมากเลยจะเกียดนะเกียดแล้วก็พยาาบาโรงพยาบาลว่า โหดร้ายนะท ำ, น ท, ำทำให้คนทำให้แม่หรือทําให้คนที่ยากจนต้องตายแต่พิยองคนนี้แกคิด อ, อีกแบบหนึ่งนะแกแทนที่จะโรกรธเกลียดพยาบาลแกก็มาตั้งคําถามว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วแกก็พบว่าเป็นพราะโรงพยาบาลเนี่ยไม่ค่อยมีเงินแกก็เลยตั้งปณิธานว่าเนี่ยเมื่อแกสามารถจะทํางานหาเงินได้เนี่ยแกก็จะ เก็บรวบรวมเงินเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะได้มีเงินช่วยเหลือคนยากคนจนไม่ให้ตายเหมือนแม่ของแกแล้แกก็ทำยี่มาตั้งแต่เล็กนะเรียนหนังสือก็เรียนไ ม, ไม่ได้สูงเท่าไหร่อายุสิก็ต้องไปขายต้องไปทำงานนะเพราะว่าไม่มีเงินเรียนหนังสือพ่อแม่ก็ตายคนบางคนถ้าไม่รู้จักคิดนะก็จะสึก โกรธแค้นโกรธแค้นโลกเกียดโลกนะเพราะว่าลําบากมาตั้งแต่เล็กไม่มีอะไรดีเลยเหลือหนังสือก็ไม่ได้อาหารการกินก็ไม่พอพ่อแม่ก็ตายเพราะความยากจนแต่พี่ยองคนนี้เนี่ยแกกลับมองอีกแบบหนึงว่าเนี่ยเออมันเราต้องขยันนะเราต้องเก็บหอมรอมริบนะเราต้องช่วยตัวเองนะ เธอก็สามารถที่จะประคับประคองชีวิตจงกระทั่งนะกลายเป็นแม่ค้าขายผักที่ใจบุญแทนที่จะเอาเปรียบคนอื่นนะแทนที่จะเห็นแก่ตัวเพราะว่าชีวิตลำบากขาดแคลนกับมีน้ําใจนึกถึงคนยากคนจนว่าเขาเคยลำบากเหมือนเราเราก็ช่วยเขานะช่วยทางตรงช่วยทางอ้อมช่วยทางอ้อมคือว่า บริจาคเงินให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลจะได้มีเงินนะไปช่วยคนยากคนจนตอนหลังเธอก็ได้รางวัลแม็กซไซส์นะแม็กซไซส์นี่ก็เป็นรางวัลที่มีชื่อมากที่สุดของเอเชียนะเปรียบได้กับรางวัลโนเบลนะโนเบลนี่ก็ให้กับคนระดับโลกนะแต่แม็กซ์ไซส์ให้กับคนเอเชียแม่ค้าขายผักคนนี้ก็ได้รางวัลเนี่ยนะก็เป็นเกียรติยศสูงแต่สำหรเธอคงจะไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่นะเพราะว่า ไม่ได้หวังชื่อเสียงแต่สิ่งที่น่าคิดคือว่าคนที่เขาตกละกรรมลำบากนะถ้าผู้ภาษาภาษาชาวบ้าคือว่าเจอแต่ชีวิตบัดซบนะ <c oughs> แต่ติดใจเธอกับเจริญงอกงามนะมีความเมตตากรุณามีความเอื้อเฟือ้อเสียสละหลายคนพอเจ อ, เจอชีวิตบัดซบแล้วเนี่ยนะเขาก็ปล่อยชีวิตให้มันย่าแย่ติดยา กินเหล้าหรือว่าหมั่วเซ็กซ์ม้ำซอนหรือว่าไปเป็นโจรไปเป็นอันธพาลคนแบบนี้เนี่ยมีเยอะนะชีวิตภูมิหลังเขาเนี่ยมีเป็นเพราะว่ามันยากจนลาบากครอบครัวขาดความอด อ, อ, อ, อ, อุดไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่พิมคนนี้เ็าเจอชิตบัดซบเนี่ยมันกลับทำให้เขาเนี่ยชวิตเจริญ ง, งอกงามมากขึ้นจิตใจก็ งดงามนะเป็นเพราะรู้จักคิดนะไอ้ความยากลำบากก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้มีความเข้มแข็งแล้วขณะเดีกันก็มีความเมตตากรุณาเพราะเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนยากจนจนโรงพยาบาลแทนที่จะเกลียดนะแทนที่จะเกลียดโรงพยาบาลเพราะทำให้แม่ตายไม่รักษาแม่เพราะว่าไม่ยอมเพราะแม่ไม่มีเงิน กับคิดอีกแบบนึ่งว่โอ้โรงพยาบาลนี่เขาเขาไม่มีเงินนะเขาก็เลยปล่อยให้แม่เราตายนะงั้นเราก็ต้องช่วยโรงพยาบาลให้เขามีเงินเขาจะได้มีทุนรองไว้รักษาคนยากคนจนไม่ให้คนต้องเสียแม่เสียพ่อเหมือนอย่างเราอันนี้เราคิดเป็นนะคิดเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คิดเป็นแันนี้ชื่อมีแต่ความเจริญอุปสรรคกับทาให้เข้มแข็งอุปนะสิ่งที่ ความยากลำบากกลับกลายเป็นการขัดใจให้สะอาดนะเราเนี่ยน่าจะถ้าเร า, เราเลือกได้เราก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะก็คือว่าแม้ว่าชีวิตมันจะลาบากยังไงเราก็สามารถจะเห็นประโยชน์หาประโยชน์จากมันได้แล้วก็เอามาใช้เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความภาคเพียรพยายามแล้วก็เกิดความเมตตากรุณาไปพร้อมๆกัน คนที่คิดได้แบบนี้แหละนะช่อยเขาถึงจะมีแต่ความเจริญเขาจึงจะรู้สึกว่าก็เป็นคนโชคดีอัตมาช่วผู้หญิงคนนี้เขาคงจะนะถ้าบอกว่าช่วยเขาในที่ผ่านมาโชคดีหรือโชคร้ายเขาก็คงจะบอกว่าโชคดีเพราะไมงั้นเนี่ยเขาคงจะไม่ได้มาลืมตาอ้าปากนะแล้วก็มีชีวิตที่สุขสบายเหมือนทุกวันนี้คําว่าสุขสบายของเธอเนี่ยมันก็ไม่ได้สุขสบายในสายตาคนทั่วไปนะเพราะวันหนึ่งเนี่ยกิน กินอาหารเนี่ยใช้เงินไม่ถึงร้อยนะแล้วก็ทำงานหนักวันละ 66-67 ชั่วโมงนอนก็นอนพื้นนะตัวบอกไม่ชอบนอนนอนนอนนอนเตียงแต่สำหรับเธอเนี่ยมันไม่ใช่ความโชคร้ายเป็นความโชคดีนะที่มีชีวิตแบบนี้ฉะนั้นเวลาเราเนี่ยรู้สึกว่าเราโชคร้ายเนี่ยนะอย่าไปโทษโลกไปโทษชะตากรรมนะ้วต้องกลับมาดู ว่าเป็นเพราะเราคิดไม่เป็นหรือเปล่าเรามองไม่เป็นหรือเปล่าถ้าเรามองเป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกขอบคุณนะาโอ้ขอบเราโชคดีนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะโชคดีที่ยังมีลมหายใจวันนี้โชคดีที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยโชคดีที่ยังยังไม่พิการนะยังสามารถจะเดินเหินไปไหนมาไหนได้งั้นอยไปกลดานะชตากรรมหรือว่าอา รู้สึกแย่กับช่วงที่ผ่านมาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองของเราอยู่ที่ว่าเรารู้จักหามิตรนะบางทีความยากลําบากนี่ก็คือมิตรนะเป็นกาลยนานมิตรนะที่ช่วยทําให้เรานะพัฒนาตนแล้วก็มีความขนขวามมีความเพียรผู้ใหญ่ก็คือว่าถ้าเรารู้จักคิดรู้จักมองเนี่ยนะไม่ขาดนะกาลยนานมิตร น, นะไม่มีคําว่าขาด ขาดเพื่อนที่จะช่วยแนะนำในทางที่ดีแล้วก็จะประสบแต่โชคตลอดเวลานะเจออะไรอะไรก็ตามก็กลายเป็นโชคไปหมดนะเพราะมรวนละต่ส่งเสริมเราไปในทางที่ดีงามได้ชาวนี่ยเพ็เท่านี้น ะ, ะกราบพรบ